หน้าที่ของผมก็เป็นหมอที่พากับคนไข้นะครับแล้วก็มีคนไข้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่อยู่ไข้ไหลต่อหลายที่มาจากครื่องโลกก็มีมาจากที่แกลๆก็มีนะครับถ้าถามว่าหลังจากที่รู้จักหลวงพ่อเกวียนแล้วเนี่ยการงานผ ม, ด, มนดีขึ้นไหนนมโอ้ดีขึ้นแน่เพราผมรู้จักตัวเองนะครับผมคิดว่าผมจะทําอะไรนะครับ อ, อลองมาใช้ลองดูทีครับหลวงเกวียนเนี่ย ขั้นสอน ส, สั้นๆทำไมทำให้เราเรารู้จักตัวเองได้แล้วถ้าดูวิธีเทคนิ ค, นคนในการที่จะถามในการที่จะตอบคําถามของแต่ละคนนะครับก่อนที่จะข้ามไปผมก็อยากจะเรียนเป็นความจริงหนูว่าเมื่อข้าวหลบขเทียมั้างฝุ่นาตัดเมื่อสักกือบสามสิบปที่แล้วอ่ะที่ท่าเนเต็มใบของพ่อเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยระยะโรคของคํานเนี่ยต้องตายกันในหกเดือนตามตำราว่ า, า, า, าวอย่างนั้นนะครับ ถ้าเป็นอย่าง้นต้องจบจริก็ตายจาโรคหรือไม่จบมาเลยอันนี้ทำให้ผมแปลกใจที่ผมเปลี่ยนเลยเอ๊คำลาที่ว่าใครที่อาจจะผิดได้แต่มก็อย่างนี้ก็เลิกสัลที่แปลกใจท่านที่สองก็คือว่าตอนที่ผ่าแต่งข้างแรสุดนะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็พาไปที่โรงพยาบาลรับาน่นะครับความเป็นโรครัาลนี่บักบักนานช้าไม่สนใจลูกศิษย์กาก็พามาที่โรงพยาบาลเอกชนบาลเอชนนั้นกเสียสตา ความผ่าทั้งแรกสุดเนี่ยข่าเป็นคนที่เสียสตัานะไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคือเป็นคนที่นับถือศาสนาคือผมก็มารู้จักทีหลังพอคุณเคยกันมากขึ้นผมก็สอบถามมาที่ท่านนับถืออีกศาสนาหนึ่งนี้มาเสียสตังให้หมวพ่อได้อย่างไงพระเ็นพาะคนที่เขาตอบประโยชน์หน่งที่ทำให้เต้องจุดเชิดและมองตัวเองยิ่งขึ้น ซึ่งผมคิดว่าญาติธรรทั้งหลายคงจะมาเป็นเครื่องเคลื่อนใจคนพระนุษยเขาบอกว่าหลังจากที่ได้พูดคุยถึงหลวงพ่อเทียนแล้วผมรู้จักตัวผมเองแล้วไปถามตัวเองว่าทำไมเขาถึงรู้จักตัวเองดีด้วยกนี้ขนนอกศาสนานี่ยเจอหลวงพ่อเทียนยังบอกได้ว่ารู้จักเองผมก็เลยถามว่าถ้านอย่างนั้นแล้วเนี่ยหลวงพ่อใช่คุยเปลี่ยนศาสนาไหมหลวงพ่อคนทีนเขาบอกว่าผมคุยกับหลวงพ่อผมไม่เคยคุยเรื่องศาสนาเลยผมคุยแต่ความจริงของชีวิต ไม่เคยพูดเรื่องศาสนาเลยก็เหมือนกับแต่ที่หลวงพ่อเคยเป็ผู้พิสูจา์ประเทศครั้งหนึ่งในการเรื่องพู้ศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าศาสนาเนี่ยในความเห็นของหลวพ่อคือคนศาสนาทุกศาสนาโลกตั้งขึ้นตั้งชื่อโดยคนเท่งนั้นแต่ถ้าจะให้พูดเรื่องศาสนาท่านสอนในพู้พ่อจะมีแต่ข้อถกเถียงโอ้แย้งหาจุดิี่สุดไม่ได้ในเวลาอันจะกับ แต่ถ้าอยากรู้ความจริงของชีวิตท่านเล่าให้ฟังได้จากประสบการณของท่านเองเมื่อเราเข้าใจชีวิตตัวเองดีแล้วจะไม่สงสัยในความหมายของคำ ว, ว่าศาสนาอีกเลยอั น, นี้เป็นคําพูดของลวงพ่ผมก็กอดใจบอกว่าที่คนไม่รู้หนังสือสอนเราอย่างนี้ได้อะไรที่จริงแล้วเนี่ยเราเรียนรู้สืมากเนี่เป็นจุดก่อนของคนเรียนหนัสือเพราะเราจะสร้างโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์เยอมากเกินไป เราตีกรอบวิธีคิดของตัวเองมากเกินไปไม่กล้าคิดนอกออกบําราไม่กล้าคิดเพราะว่าถ้าไม่ตอบตามที่ครูบอกเราจะไม่ได้คะแนนเราจะไม่ได้เรียนมาความเคยชินอันนี้มีมาตลอดถ้าไม่ใช่อาจารย์สอนก็เชื่อไม่ได้ก็เช่นเดียวกันในการสอนนั้นข้ามมุ่งไปที่ประเด็นแห่งความจริงของชีวิตรสเทียมเป็นคนแรกที่บอกว่าคนที่รู้ธรรมะที่แท้จริงจะต้องรู้อย่างเดียวกันคนที่สองเป็นข้าในมหายาณที่ครูถาม ท่านะนก็เป็นพระที่เป็นผู้ย่างที่มาถกท่านก็พูดําเดียวกันว่ามือหอถ้าเรานี้ธรรมะที่แท้จริงนั้นจะรู้อย่างเดียวกันคือรู้เรื่องไม่ให้เกิดทุกข์ที่ไหนเกิดกับจะทุกข์ที่ไหลถ้าเป็นสองคนต่างศาสนาต่างวิการอั น, นมหายาผมก็ถามบอกว่าอืแล้วก็วกเราชิมกับเถรว่าเรามีขนมตำลึงประเพณีเอืมไอยู่มหายานก็ดูหยาบยามมหายาเนี่ยผมบอกอืมก็ยามโตเต็มยามมากๆ เพราว่าเราชินกับความที่เป็ น, นประเบียบเรียงเป็นแบบนี้ครั้งตรงนี้สอนเหมืยุก็เขียนสอนได้แต่ไมรทำบอกว่าคุณหมอแข่งพุทศาสนาเพราะพุทศาสนาเนี่ยมันต้นไม้จะเกิดหลายที่ถ้าเกิดที่ที่มันอุณหภูมิแตกต่างกันมากร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดเปรี้ยง้องหนาะนี่จะทำรักษาแบบนี้ได้ต้นไม้ทีเกิดเป็นต้นทรยฝนเยอะ าการนีเออาาา้เปลือกอาเจ้บ้างก็เกิดจกันเองทําไมต้องมาสนใจเรื่องเปลือกเล่าทําไมไม่เอาเกี่นถ้าพูดไปหวงพเกีเ่ยวเลยเพราะฉนั้นคนที่รู้ธรรมะที่แท้จริงนั้นจะรู้เรื่องเดียวกันเรื่องกรรมกับอาจมเป็นธรรมดาที่จะต้องมีกัจนจดบันทึกไว้ผมเคถามหลวงพ่อนะครับที่จะสอนให้เราเข้าใจประเด็นที่แท้จริงในคานําสอนของท่านก็คือว่าหลวงพ่อครับข้าพเท้ไม่เคยเทศตามตำรา ท่าเทศนไม่เหมือนคนอื่นที่คนอื่นก็ขึ้นนํามอเตสะว่าบาลีแล้วก็อธิบายคำว่ า, าอะไรเจ้ไม่พูดตามภาษาปีดกที่คนจะเชื่อตั้งเลยข้าเกือนตัวเองผมนะครับว่าภาษาปีดกนั้นเขียนขึ้ น, นหลังจากพระพุทธเจ้ากรณีความหลายเลยที่รับรอกตัดต่อกันมานักทำคำที่เราเป็นทันกีคนเขียนเนี่ยตั้งใจเขียนอย่างดีที่สุดแล้ว แต่คนอ่านจะเข้าใจเหมือนที่คนเขียนเข้าใจหรือไม่นั้นขั้นย่ำสง ส, สัยหลวงพเทียนบอกเลยขั้นย่ำสง ส, สัยการอ้างตำราเหมือนการอ้างคำพูดคนอื่นมีโอกาสผิดพลาดได้คนที่รู้ธรรมะ่แท้จริงนั้นมันต้องรู้เรื่องเดียวกันเพราะทำไม่เป็นเรื่องที่ขึ้นกับเวลาสถานที่หรือที่ไหนถ้ารู้ก็รู้ถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้หลวงพ่อที่ยังพูดดีนะครับที่บอกว่าพูดแค่นี้้ผมเข้าใจถ้าเราไปอ่านนับแปล พระไตรปิฎกที่เป็นภาษาอื่นนั้นโดยเฉพาะภาษาจีนที่ชื่อกรุ๊มาและชีวะก็ดีพระธรรสัมปชันก็ดีข้าบอกอะอย่างนี้นะครับการอ่านพระไทรปิฎกที่แปลจากภาษาหนึ่งไปภาษาอื่นนั้นเปรียบประดุจดังกินอาหารที่คนอืเชียวไว้นอกจากไม่มีรสชาติแล้วยังสอิดสะเอียนีิเห็นไหมครับว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าพระไตรปิฎกที่เขียนด้วยภาษาอินเดียโบราณ เฉพาะคนที่รู้จักภาษาอินโดบูราร์ถึงจะเข้าใจได้ผมบอกอั้าพเจ้าไม่ได้ทบทวนศิลื์อ๋อท่านบอกหมอเข้าใจผิดตำราเป็นเหมือนแผนที่เหมาะสําหรับคนที่ไม่รู้จักทางไปและไปยังไม่ถึงแต่ท่านบอกว่าโดยทำเนียกในการศึกษาแล้วเราจะติดท่านใช้คํ า, าว่าเมารวญเมารว่ญคือไปยึดติด ก, กับคำหมายความหมายที่นี้มันจะแปลได้อย่างไร นนมันจะเป็นอย่างไะจะอะไรทั้งหลายนะครับท่า น, นเลยยกตัวอย่างงา่ายๆให้ผเข้าใจถ้าที่จริงแล้วมะม่วงเนี่ยจะว่ากัมมีชื่อเรียกเป็นคำชื่อเลยวลกาที่มั้เขียวนว่าควจะเรียกว่ายังไง้มันเน่าคนที่กิบมะม่วงกับมะม่วงคำแมันจะรู้ว่ามะม่วงเป็นอย่างไรโดยที่จะมีชื่อหรือไม่มีชื่อเรียกก็ตามอันที่ท่าสอนที่สุจะทา น, นคะครับว่าแค่ที่จริงแล้วเนี่ยใจยลรานีดอต้องมีที่จะ ผมเคยถูกคนตรมามน้าว่าหลวงพ่อเทียนนั้นสอนคนให้เป็นคนดีผมบอกไอ้หลวงพ่อหนุ่มไม่ต่างคนดีแลนะ้วผมบอกนี้คุณเข้าใจผิพดพราะคุณยัไม่เคยมาลอกถ้าที่จริงแล้วเนี่ยการสร้างจังหวะเนี่ยหลวงพ่อบอกเลยบอกว่าจิตใจเรีเป็นเรื่องยากถ้าบอกให้ไปมีจิตใจนี่คนส่วนใหญ่จะดีไม่ได้วิธีที่จะจับให้ดูการจิตใจที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้น ดูจากการเคลื่อนไหวของร่างกายเฉพาะไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องข้อมือหนาดมืออย่างเดียวแต่แน่นอนที่สุดาหาเนี่ยทหานเนี่ยออกฤบธิ์ได้เนี่ยมันต้องรู้จักซ้ายหันขวาหาันสักหลักหลวงพ่อเทียนเป็นคนที่แสดงให้ผมเห็นนะครับว่าไม่ว่าการอริยบทหนาดของท่านเนี้ยท่านแสดงความมีสติตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการตอบคำถามของผมเนี่ยท่านไมเคยผิคิดเลยเพราะท่านมีสติพร้จจองอยู่ตลอดเวลาในการที่จะถามนะครับ ท่านเปนรียบเลยว่าการนั่งสมาธิกับวิปัสสนากับสมัยหักนเป็ น, นยังไงผมเคยถามท่านบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยมี่จิตแพทย์คนนึ่งเขาบอกว่าคนที่เข้าวัดเข้าว า, ว า, ะวาระในัน้าวิปัสนาส่วนใหญ่จะฝึกวิปัสสนาเป็นคนบ้าผมก็ทํามหลวงพ่อซึ่งสอนให้เรานั่งวิปัสนากขนาดนี้หลวงพ่อนั่งวิปัสนาท่านมันเป็นบ้าเลยจะควรเป็นบ้าจริงๆขั้นต่อ น, นี้ยนะ คนที่ไม่รู้จักจิตใจตัวเองเท่านั้นคือคนบ้าการนั่งวิปัสนาคือการเรียนรู้จิตใจตัวเองกานั่งเราเป็นบ้าไม่ใช่วิปัสนาถ้าบอกแค่นี้นะเราก็สบายแล้วลลถ้าครั้งหนึ่งเด็กต้องบอกว่าสมาธนี่มันมีมาก่อนพระ พ, พุทธเจ้าเรื่องนั่งนเฉยๆนิ่งๆเกิดทั้งหล า, า, านี่มันแตกต่างกับวิปัสนาอะไรสมาธนี่ท่านท่าใช้สอนด้วยการถือดินเหนียวที่มาแล้วฟ้า ดินเหนียติดฝาปุ๊กเลยดินเหยียวติดฝาแล้ววิปัสนาคืออะไรท่านใช้ส่องควาาที่ฝานะครับพอส่องค้าที่ฝาปั๊เนี่ยส้อมเนี่ยมันไม่ติดที่ฝาหรอกมันกระโดดออกมาผมเลยเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองว่าสมาธิที่เราให้อยู่กันเป็นสมาธิธรรมดามันก็อย่างนี้การที่ยุดติดรูปแบบต่างๆนี่เหมือนกับท่านอธิบายฟังใช้ดินเหนียวคว้าฝาติดตั้งติดรูปแบบเสร็จไม่ไปไหนมาไหน ทิฏฐนาเราใช้ร to right. ูปแบบนี้เหมือนฟางส้มกระดองจากฟ้าเราเกิดทิฏฐนาท่านบอกว่าสมาธินี่ยเหมือนเห็นทับหญ้ากญ้าถูกเห็นทัพขณะที่เข้านั่งมีสมาธิอยู่นั้นมีอยู่้ะเนียรมันก็ฟกไปแต่พอออกจากสมาธิต้องแสงเพชรหญ้ามขึ้นมาใหม่ซึ่งปั่นกับทิฏฐนาที่ทำไมเราเอารากของหญ้านั้นออกไปได้อันนี้คือข้อแตกต่าง ถ้านม้นในเรื่องที่เข้าใจเรื่องนี้ให้เรื่องแก่ทุกข์ให้ไนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นที่เตือนใจนะครับพอพี่ได้ไ ว, ว่าอย่างนี้นะครับถ้าสมุดเราทําปฏิบัติแล้วเนี่ยสติอยู่ขอบตัวหรือเ่าเพราะว่าอะไรสติมาปัญญาถึงจะเกิดถ้าสติตเติบโตปัญญาเกิดไม่ได้สิ่งที่ผมใช้ในปฏิบัติก็คือสตินี่เราต้องมาก่อนแล้วเราก็มองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเมื่อเห็นเป็นจริงแล้วก็อันนี้คือปัญญา ความรู้มีคนสอนได้เรียนเป็นอิสรเองก็เป็นแค่ความรู้ไม่ใช่ปัญญาข้อแตกต่างคืออะไรความรู้กอใครขอใครเราก็ปีได้เราเรียนแบบได้ก็ถึงระดับนี้แล้วปัญญาเนี้ยก็เกิดจากสามขั้นตอนอความรูึกงพวกผมขั้นตอนแรกก็คือต้องได้คิดสักอย่าคคำถามที่ถูกต้องถึงจะนำทางไปสู่ที่ถูกต้องคาถามที่เราคิดเอ๊ะทาไมเปนอย่านี้ทไมที่เป็นอย่างนั้น ก็ม่ไปดูนะครับ mm hmm. เมื่อได้คิดแล้วเราจะคิดได้เมื่อคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็คือคิดเป็น mm hmm. เพราะฉะนั้นหลวข้่อในเวลาตอบคาถามผลซึ่งบางครั้งเนี่ยเป็นคําถามที่ที่หลายคนไม่เคยตอบคนได้ถ้าตอบได้ทันทีเดยไม่ต้องคิดจากการที่ท่าปนปฏิเสธแสดงอยตลอดเวลาท่านกล่าวว่าสถ า, านกา่าวประจวบเนี่ยก็แต่ใช้เวลามาแล้วเนี่ย คนเรื่องยุติเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะผมเคยถามท่านบอกว่าในพุทธประวัตินั้นหลายกองคนมไม่เชื่อเป็นไรไม่ได้เช่นตอนก่อนที่พระพุทธเจ้ากลขับให้ขานให้กระชุนได้นั้นเรื่องมีคนมาถวายข่าวปลาด้วยส่วเพื่อแก้บนให้ตัวเองมีลูกชายแล้วท่านช้างเสร็จแล้วเนี่ยท่านลอยถาดที่แม่น้ำขาดนัน้ลอยทวนน้ำและตะเกียงเดิไปดังกิ๊กพระยาดาบก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากระชุนอีกแล้ว ผมบอกหลวงพ่อผ ม, มนึกเชื่อท่ามันวายทวน้ําไม่ได้ข้ามกรอบเลยอันนี้เป็นอุปมาอุปลไมว่าความคิดที่เราอยู่ปัจจุบันก็ดีรุ่นสมัยโบราณก็ดีมันก็จะเป็นเรื่องของสังคมเพราะเราอายุยืนเนี่ยมันก็สร้างกฎเกณฑ์บนีมาเรยแล้วก็ยึดตัวเป็นความจิงเหมือนกระแสน้ําแล้วก็ตามกันไปเรื่อยๆทําตามกันไปเรื่อยๆโดยไม่ได้บิดคิดพราะพระเจ้าเนี่ยอย่าลืมนะครับพระพเจ้ากว่าทีาา่ทำจะดู้นนั้นเป็นสิษ คามที่กำลังเรียนแบบดีเด่นถ้าไป็นสุจริตจิติก็ว่าต้องเกียรติยศอันดับหของาศาสนาพราหมณ์นะครแต่ท่านคิดทวนกระแสความคิดของความและความเชื่อสมัยนั้นข่านถึงเข้าสูจะจะ่จักรธรรมท่านถึงเข้าสูจ่จักศาธรรมได้เราก็เรียนสอนกันก็เช่นเดียวกันท่านสอนผมคิดทวนกระแสไปเสมอนะครับผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสอันดี ท, ที่ที่ดีกว่าคนอื่นก็คือผม เป็นหัวนัษาทา่านผมถามโดยไม่ต้องเกรงใจหลายคนเนี่ยจะถามท่านก็เกรงใจผมถามต้องถอดเกรงใจเพราะทำอย่างไรผมก็ภาทภามิท่านต้องยอมอยู่แล้วนะครับก็ถึงโอการทีท่ถามคิดตนกระแสหลายอย่างเช่นเรื่องพระเอสสังวรผมบอกเลยผมไม่เชื่อเป็นไปได้อย่างไรจะมาบอกว่าทางลูกคาเมียแล้วถือว่าดีที่สุดตัวเองไม่รับผิดชอบอครอบครวยจะถือดีได้อย่างไรลูกเมียไม่ดียอมฟ้องใจ ไปบังคับกับเกี่ยนจิตใจคนอื่นให้ไปแทนตัวเองน้อถือว่าดีได้ยังไงถ้าตัวเองจะเสียสละก็ให้เหลือกเนื้อตัวเองไปสิให้แขนขเขาเพื่อนไปสิผมเคยถามคำถามนี้กับพระเถระผู้ใหญ่คนหนึ่งอยวให้เห็นชื่อเลยท่านบอกว่าคนถามคำถามนี้คือคนใจบากอยากช้าดูถูกดูหมิ่นครูบาอาจารย์เป็นบัวใต้หิ้วโอ้ก็บอกเอง ผมเคยไดินกับหัวใต้น้าที่มีโอกาสผมได้ท่านก็บอกผมว่าเป็นหัวใต้หุ่นนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเมื่อเจอหลวงพ่อเทียมผมถามเขาถามเดียวก็พอท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเรื่องข้าวไอส์แลนด์ถ้าเรื่องชาบดจะจริงหรือเปล่าเขาไม่รู้ก็ไปเล่าต่อกันมาถ้าผมเชื่อไปจริงถ้าผมเชื่อไปจริงหมอก็เอาลูกมียไปทานให้พวกกรรมกรที่ขอสร้างจิตที่รอบโรงพยาบาลสิแล้วหมอจะได้เป็นขอบุญจา เปลียนใหม่ได้ให้ว่าสิ่งที่ติดตัวเราเปียบกระดังลูกมีอะทิ่งไม่ออกสลักไม่ได้คือความโลภความโรกรธความหลงถ้าเราจะเสียสละสิ่งนี้บริจาคทานสิ่งนี้จะพอเข้าใจได้หรือไม่ผมบอกหลวงพ่อพู้อย่างนี้ผมก็ได้กล่อมกลับหลวงพ่อให้ผมเข้าใจว่าการทานทุกทฉ่จริงกันอย่ไรนะครับว่าเป็ไรอยู่เพงพ่อช่วยชแม้กระทั่งถึงบุญเหมือนกันผมถามท่านบอกว่าหลวงพ่อทำบุญได้บุญจริงว่า ถ้าไม่ตอบเราทำบุญด้บุญหรือเปล่าถามผมว่าบุญที่ผมเข้าใจคืออะไรผมก็บอกว่าผมก็เข้าใจเหมือนกับที่ชาวบ้านญาบโยกทั้งหลายที่เคยก็คือทําบุญไปต่อไปบุญจะได้ผลบุญเป็นอยังงี้อย่างนี้นะครับท่านเคยถามบอกว่าหน้าทั้งตอนนั้นเนี่ยคงจะเป็นหน้าท่อกระถิ่นท่านเอ่อมรู้จะสั่อันนี้ส่วนการทอดกรถินไหมว่าเคยถูกทอดการแม่นได้ไหมเลยบ้างก็ทอดกระินทุกปีเขาบอกว่าการทําบุญทอดกรถินเนี่ยเป็นการทําบุญที่ดีได้บุญเยอะตายไปจะได้เป็นมี มีมันชั้นสวรรค์หนึ่งขามรล้วก็นางฟ้าเป็นบริวารห้าพันคนผมก็บอกท่านเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจเรื่องบุญทํานก็เลยบอกว่าเฮ้หัอเราคุดหน่อยสิวัดเมืองไทยไปสักสี่ห้ามื่นวัดเนี่ยถ้าทอดกับที่ทุกวัดทุกที่มันจะไปหานางฟ้าที่ไหนมาให้เหรอนะครับท่านก็เลยบอกว่าผมก็บอกอ้าท่านก็เลยบอกว่าบุญในความเห็นของท่านเหนือบุญที่ผมเข้าใจก็คือการรู้จักตัวเองได้มีทุกต่างหา ผมก็เลยบอกว่าถ้าพนักแล้วนี่บอพ่อครับแล้วเราทําบุญกันอยู่เนี่ยมันจะทําได้เลยถ้าผมเข้าใจดีผมเข้าใจได้ถ้าเราจะทําบุญหลือต้อบอกหมอเข้าใจผิดบุญที่เราทําเพืนอรับถึกทําหลายเนี่ยเป็นข้าวเปลือกเอาไว้ทําพันถ้าไม่มีพันข้าวเปลือกแล้วมันสูงพันแต่ถ้าจะกินนั้นกินข้าวเปลือกไม่ได้ต้องสีขนหนึ่งอู๋อีกขนหนึ่งถึงจะกินได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำมาไปนานเนี่ย ก็ต้องหยุดคิดว่าเอ๊ขอบถทําองกว่าเพลงนี้เขามีจุดมุ่งหมายดีแล้วที่เราทำกันอย่างนี้เพราะดีกว่าทําชั่วถ้าหยุดคิดใหม่เหมือนกับเราคิดทวนกระแสเราก็จะได้พบศัจธรามของชีวิตได้ท่านบอกเลแบบว่าคนที่หลงงงงานกับการทําบุญด้วยวัตถุนั้นเป็นอันตรามากเพราะเป็นการหลงอยู่ในความมืดที่เป็นสีขาว อมไม่เคยไินเลยความมืดที่เป็นสีขาวนั้นเป็นยังองข้าบอกว่าความมือที่เป็นสีดำนั้นคือความไม่รู้ถ้าความไม่รู้นี่จุดไม่ขีดขึ้นจุดไฟขึ้นสว่างความไม่รู้ก็จะหายไปแต่ความมืดที่เป็นสีขาวคือความหลงผิดยากนักที่จะแก้ได้ถ้าเอาหลงแล้วค้าบอกอนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หลวงพอที่ผมไมมีโอกาสอท่านก็ได้สอ คือความคิดก็เป็นคำถามาบอกธรรมดาที่อื่นนะครับแล้วก็ท่านก็คําสุดท้า ย, ยท่านก็บอกสมมติว่าการสอนคนอื่นที่ไม่ใช่จากสิ่งที่ตัวเองเข้าใจอ้างกำกังตำราก็ดีเอาคําพูดคนอื่นมาพูดก็ดีโดยที่ตัวเองไม่เข้าใจนะเมื่อไปพูดให้คนอื่ น, น, นเขาให้เขาน้อมผิดเนี่ยเราผิดสิ่งข้อสองคือรักษาท่านได้ที้ผิดสิลข้ อ, อที่นาน ขั้บอต้องเข้าใจให้ผ่อแท้สุดๆถึงจะพูดได้เพราะว่าพวกเราอยู่ที่นี่ก็มีเจตนาที่จะเคารพมูชาครูบาอาจารย์ผมเองเนี่ยก็เวลาที่อยู่กับท่านก็ส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมวิชาชีพไม่ได้มีเวลาที่จะอยู่กับท่านนานแมนกต่หลายเดือนที่มีโอกาสนะครับแต่สิ่งที่ให้ผมที่ท่านให้ผมมาทำให้ผมได้รู้ว่าความคิดใครหลายอย่างที่มันใช้ในชีวิตปัจจุบันผมมีความเชื่อว่าในการเคารพ บูชาครูบาอาจารย์นั้นการเคารพได้ทูกเทียนก็ดีดอกไม้ก็ดีนะครับก็เป็นขนรรมทำเองตัวเองนีที่เรายึดถือแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องลองคิดหน่อยสิครับดอกไม้ที่วางไว้เนี่ยจะเป็นดีที่สุดยังไงก็แล้วแต่สองสามวันก็เหี่ยวแล้วทุบจะใหญสุดยังไงก็แล้วแต่จุดไม่เกินครึ่งวันก็หมดดอกแล้วยี้มที่เราจุดจะเส้นดอกใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่คงไม่เกินวันที่หมดแล้ว มาคิดหน่อยนะครับว่าการเคารพครูบาอาจารย์และการบูชาครูบาอาจารย์แท้จริงคืออะไรความหมายข้อกลงี้ก็คือการเคารพนี้ก็คือการปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ ส, สอนและเขาสอนด้วยความฝาธรรดีสอนให้เราค้นจากความทุกข์ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อปฏิบัติแล้วสติปัญญาความคิดความตที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นต้องเกื้แท่เป็นการบูชาครูบาอาจารย์ เราอาจจะไม่ถึงที่ส่องเนี่ยะครับไปได้ครึ่งทางสิ่งที่เราเล่าให้ฟังก็เหมาะก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ยังไม่เคยไปคนที่ตั้งใจดีเพียงแต่พูดทําให้เขาคิดได้เปลี่ยนใหม่ <c oughs> เหมือนกับขับรถดูเทินมันทางที่ถูกต้องก็าถ้าว่ามีประโยชน์มากแล้วไม่ได้ไหมายเพราะว่าเราจะต้องไปถึงส่งหรอกถ้าถึงฝั่งแล้วสอนได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่เรื่องนี้ ใครถึงสามให้ถึงสามผมก็อยากทำหลวงพ่อเมื่อเราพูดกไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆค้นถามท่านไปเรื่อยๆเรื่ อ, อ, อยถึงจบอุปหลวงหลวงพ่อตอนสุดท้ายเมื่อท่านมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วเมื่อท่านมีสติแล้วท่นานมีปัญญารู้รูปรูปรปนามหลวงพ่อเป็นคนที่รู้รสิการที่จะสอนคนให้รู้จักสิ่งที่ในร่างกายใต้ผิวหนังเป็นเรื่องยากมากการที่เข้าใจท่านเข้าใจรูปนามของสมมติของไม่ของจริง เป็นเพื่อนยามาเมื่อท่านดูแล้วไปถึงปัญญาสุดข้ายมันเป็นอย่างไรท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีคําพูดที่จะอธิบายให้เราเข้าใจได้ท่านบอกว่าเคยเห็นเมฆก่อนหน้าผมนะเรามองจากเครื่องบินไปมันเป็นรูปโน้นรูปนี้ข้าจะเล่าให้ฟังว่าเป็นรูปโน้นที่ผมผมเคยเห็นถ้าเรานั่งเครื่องบินไปอยู่ในเมนที่แคบๆนั้นเราจะไม่เห็นแบบที่เราเคยเห็นหรอกที่คู่กับตางหรอ ถ้าเหมือนบอกว่าเหมือนเชื่ อ, อ, อ, อกขึงกัตัดขาดมันหลุกออกจากกันแล้วอกาะไม่ติดเฉื่อยเสียดเท่าไหร่นะคุณพ่อให้ผมไม่เคยเคยจ่ายท่านก็เลยว่าพูดหน่อยอธิบายให้เราเข้าใจว่าการที่เราเอาสีผสมกันห่างกันเซนสีดํากับสีขาวพอามาแล้วกันคือกันเขาเก็จสีอะไรผมบอกสีเทาเหลวนงพอเออถ้าแบบสมมติเอาแยกจากกัน สักสิบเม็ดยี่สิบเม็ดแล้วให้ค่อยๆเลื่อครับ <c oughs> มาผสมกันแล้วให้ถามว่าเดี๋ยอว่จุดหนึ่งระหว่างนั้นเขาเรียกว่าสีอะไรท่านบอกว่าไม่มีคําพูดจะอธิบายได้ยกเว้นคนที่เห็นคนที่รู้ด้วยเหตุ น, นี้ท่านที่บอกว่าสิ่งแบบนี้ธรรมะไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่มีคําพูดที่จะกล่าวก็ด้วยเหตุนี้เองจะได้เข้าใจนะครับญาติธรรมทั้งหลายที่ทําที่เราปฏิบัปฏิบัติทั้งหลายนี้ก็แบบที่บอกนะครับ เรทำานี้เพื่อให้มีสติเมื่อมีสติรู้การเคลื่อนไหวของรางกายทุกอุปยมไม่ต้องไปยึดติดเสร็จแล้วก็จะเอาอันนี้มาจับที่จิตใจตัวเองได้ผมบอกแล้วพยามาลอยูใหญ่สุดคือจิตใจของเราเองการใชน้าพยามาลไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเพราะพระเจ้าท่านทำสงคราวก็าดะ ป, ประมาทไมได้จะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่าย ก็เป็นยากเกินนะครับก็สิ่งพวกนี้อยู่ที่เราจะมองเห็นมากน้อยแค่ไหนผมว่าในตอนนี้ขออยู่ใกล้ๆก่อนครับการรู้ๆๆคุณหมองเล่าเราได้เห็นบรรยากาศนั้นกับที่เราได้อยู่กับหลวงปู่สภาวะที่เกิดขึ้นรวมทั้งการกระเพาะทางปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นเรื่องที่อเราอยากฟังในวันนี้ เนื่องคุณหมอพูดที่มาวลนนี้ในดวงผก็ยังจำไม่ชัดเจนนะครนะับน่ะคุณหมอแต่ ท, ที่ที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดจะมีในหนังสือนะครับผมว่าหนังสือเป็นมรดกทางคำที่หลวงปู่ท่านได้ได้บอกไว้ผ่านการเล่าประสบการณ์ให้คุณหมอท่อศาศึกษาได้บันทึกไว้นะครับนานร้อยจีหลายๆครั้งที่ขจาระว่าหนังสือเรื่องนี้มีความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะบันทึกอะไรหรอกครับ เมื่อเจอหลพ่อครั้งแรที่ท่าตอบคําถามผมไม่สะดกใจผมเนี่ยผมก็ได้ไปเล่าให้หมอผู้ใหญ่ครับ <c oughs> ท, ที่โรงพยาบาลสมุทรเส้เที่เรารักษาท่าน เ, าเราครับตรงนี้ตอบแล้วครับตรงนี้ตอบแล้วผมก็บอกเล่าแลตอบได้อย่างไรผมถามคําถามนี้ขั้นตอบแบบนี้อาจารย์ผมที่เป็นหมอผู้ใหญ่คนนี้ก็บอกผมบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าถามอะไรให้จบถ้าถามอะไรให้จบนะครับ แล้วผมก็จบไปแล้ที่ผมถามไปแต่และห้าปีเดียถามได้ 4, 5, 4, ไดคำถามที่สี่ห้าสิบครับไอถามอยากถามก็บางคําถามก็บอขอโทษนะครับคนพระคนอื่นท่านก็บอกว่าคําถามอวปรสรรานะฮะแต่ว่าหลักข้อที่ท่าตอบให้เราเข้าใจชัดเจนเมื่อท่านมาแล้วค ก, ก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านหลายคนเขาที่ผมก็จบเฉยเฉยเพื่อจะได้เลิกถึงเกลื่อนใจตัวเองลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งก็บอกว่าเออคุณหมอเคยเขียนเรื่อง เรื่องเกี่ยวกับใครได้ป่วยทําไหม้รืจะได้การชาวบ้านิี่ส่งเข้างานศพน่าจะได้สมบูรณ์ก็บอกเรื่องเกี่ยวกับครได้ป่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กมากทุกเพราะทุกคนเกิดมาก็เจ็บป่วยตายกธรรมดาคุณครับพอคำถามที่ชีวิตผมเปลี่ยนนะก็เลยบันทึกอันนี้ขึ้นมาก็คิดขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าคําถามคําตอบอันนี้ก็มีคนสนใจที่สหรัฐอเมริกาบอกให้แปล กับภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้มผมแปลไม่ได้ภาษาอังกฤษเรอยู่ในข้อจำกัดเราดูแต่ความหมายแต่ภาษาหลวงเขาเปลนพูดนั้นเป็นภาษาที่ให้ความรู้สึกก็ได้ทําอาจารย์ชาญที่อยู่วัดอุโมงคนีม่มาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ก็มีปัญหาในการพิมพ์ที่เราเรีกล่าวว่าผมทบทวนวรรณคดีซะก่อนไม่ั้นพิม์ไม่ได้ผมก็บอกว่าเอืมเรจะสมหวัลในขสิทธได้ยังไงเพราะปัญหาที่ผมถามเนี่ยถ้าผมไม่ถาม ก็จะมีคนอื่นที่มีปัญหาแบบนี้ถามเช่นเดียวกันคําถามเหมือนกันอยู่แล้วและถ้าไม่ใช่หลวงพ่อเทียนต่อก็จะเป็นคนพระองค์อื่นท่านอื่นที่โลธรรมะที่แทิก็จะตอบแบบนี้เช่นเดียวกันคุณว่าภาคที่ขึ้นที่ตะวันออกและตกทังที่ตะวันตกผมอาจจะเป็นคนแรกที่พูดตะวันเขาวว่าตะวันออกตะวัตกจะให้ลิขสิทธิ์ได้ยังนงในเมื่อภาคที่ขึ้นมาเกือบล้านปีแล้วแต่จะทำอันนี้ตั้งแต่มื่อมาั้นาแล้วผมบอก ถ้าใครผมม่านัผมก็เลยบอกว่าถ้านัานใครจะทำอะไรผมไม่มีู่ฤกษ์เกษผมก็เกยงแต่ว่าในประสบการณ์ของผมนั้นถ้าใครได้อ่านสักพัคนหมื่นคนจะมีคนสักคนหนึ่งหรือสองคนเนี่ยถูกปลุกตื่นเหมือนผมที่ถูกปลุกบ้าผมก็มีใจามากแล้วคนธรรมดานะในการปลุกคนนำนี่ไม่ใช่เรื่องยากแต่คนที่ปลุกที่ตื่นแล้วให้รู้จักตัวเองนะ้วยากนะหลวงพ่อเทียนเะนี่ย มีเทคนิพิเศษที่เฉพาะตัวที่จะสอนให้เราจกให้ถึงได้ขอบพคุณครับยังไงก็แล้วแต่ก็อย่งถือว่าสิ่งที่คุณหมอกันตึกไว้จนเตียมเล่นเล่เหมหนึ่งเอาไปจริงไว้ที่ตุกค น, ก, นก็มีอาจารย์จะจุดต่ออีกหลายเล่มจิดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเตียมเล่มนี้ถือว่าก็อย่าง น, น้อยที่สุดก็ท้าท่ายอาจารย์ด้วยอีกก็ต้อคอมอดอีกเหมือนกับเจ้าชายสุดทักกับอีก ทำไมมีการ เ, สเกสียดเดือดตายทำไมมีกลงวันกลางคืนทำไมมีช่วมีดีอย่างนี้พอตั้งคําถามคุณเราจะนำไปสูก่การหาคำตอบท้ายที่สุดว่าเห็นสมณะที่นั่งสงบอยู่อการบวชยังดีเนาะอันนี้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอ่าเราได้ฟังมว่าจัมติท่านที่เป็นนเรนนะครับใีระยะสุดท้ายมันจะมีความกระวนกระวายแล้วก็คุณหมอก็มักจะวินิจฉัยว่า5 5เดือน6เดือน3เดือนก็จะเกณฑรับกระไรอย่างนั้นนะครับแต่ เท่าที่ฟังดูนี่หลวงหลวงปู่ท่านจะเป็นผู้ที่มีจิตเหนือกายนะครับรักษาตนเองคือรูโกโรค ก, ก็เป็นโรคไปแต่ว่าท่านไม่ได้ใจท่านมาดิเป็นโรคตามไปด้วยท่านเลยเอาจิตรักษากายท่านอยู่ได้ห้าหกเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าในปัจจุบันนี้คนก็เริ่มมีความเชื่อในเรื่องของจิตรักษากายมากยิ่งขึ้นนะแต่เรื่องของการเจ็บปวดก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะี่ยแต่ยากจะทําที่เสียไมนเช้าก็เป็นเหมือนกัน แต่ว่าท่านก็ถึงแก่ถึงแก่กรรมลงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยด้วยความรู้สึกตัวยิ้มนะครับมีความ ร, รู้สึกตัวแล้วก็จิตจับไปในขณะที่มีความตระหรูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติธรรมควรจะเป็นแบบอย่างอโอกาสที่จ ะ, ะพูดคงจะหายยากที่จะมีญาทิทงทลายนี่ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังให้เป็นที่กรับอน เมื่อผมผ่าตัดหลวพ่อนะั้นผมผ่าตั้งแต่ใต้ถ่า ย, ายกรวยไปถึงข้างล่างผลักกระเพาะท่านออกเยอะมากผมบอกท่านาข่าราชกุดบอกว่าหลวงพ่อถ้าอยากหายเร็วเนี่ยหลังผ่าตับท่านไม่ต้องขยับตัวเดินได้ดีเมื่อวันรุ่งขึ้นผมไปดูท่านหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วท่านเห็นเห็นท่านเกาะซ้อนน้ำเกลือเดินเดินตลอดนะผมก็ถามท่านบอกว่าหลวงพ่อท่านเจ็บไหมท่านบอกเจ็บ ผมก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นผมจะฉีดยาแกปวดให้ท่านบอกว่าไม่ต้องเพราะรู้ว่าสาเหตุเจ็บคืออะไรท่านบอ ก, ก, กท่านไม่ตรดตามจนกระทั่งผู้ช่วยผมเขาบอกว่าอย่าถามท่านว่าจะเอายาแก้ปวดถึงอเาพราะท่านแม่เขาแน่นอนนะครับและก่อนที่ท่านจะบริรังคภาพก็มีแพทย์หลายท่านที่มีตอนหลังก็เริ่มมีสภาบันหลวงพ่ อ, พอคือหลวงพ่อตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกมาเนี่ยพ่อ อยู่โรงพยาบาลอีกหลายเที่ยวเนียแตมันเกิดจากเตการณ์หนึ่งคือคนแยกการออกตังที่จะรักษาตอนนั้นนะครบเราบอกไม่ได้ไม่ได้ผมต้องเป็นคนที่ผมคอยจับว่ารายการแรกออกหมดไม่ได้เพรหลายๆคนออกกระดับกันเ่อช่วยกันเพื่อจะช่วยนะครับก็มีตอนขั้งสุดท้ายเนี่ยที่ท่านอยู่โรงพยาบาลขั้งสุดท้ายก็มีอาจารย์ท่านโนท่านเป็นด็อกเตอร์แต่ยาท่านเป็นแค่ที่หนึ่งพยาบาลที่ท่านสวดพ่อพาตับ พอานมีท่า น, น, นสื่อของก็เทียออกมาเป็นประกายที่ร้านนัสืนะครับมันจะเป็นของทาทับผ่งการวางนะไรทัดเป็นมอะไรที่ทำครับก็ดรออร์คนนี้เนี่ยได้อ่านหนังสือหลวงก็เทียนแล้วมีความศรัทธามากอยู่ผมก็บอกว่าเออเดียวพระเทียนเข้าครังนี้ท่านคงจะตายเพราะท่านบอกผมได้ว่าท่านกําลังจะตายเขาก็พาลูกมาสองคมากราบหลวงพอที่เชิดบอกว่าลูก ให้มากับพระหวงรีนทซะเพราะในช่วงชีวิตลูกจะหาพระดีกลับได้ยากมากเกินมาทีเชิมากับที่เชิดแล้วก็กลับไปบอกทามูลมากั บ, ก บ, บ, กกบแล้วบอกลูกบอกว่าให้มากับหลวงพอ่อซะต่อไปนี้จะหาพระดีกลับได้ยากลากเกินเขาบอกที่นั่นเพราะมีการจการณแล้วครั้งสุดท้ายท่านก็อาภาษเยอะก่อนที่ท่านจะครั้งสุดท้ายก็มีหมงเพือนของท่านไปทํางา น, นไอ้ชามเช้ า, ชาเพื่อขึ้นบ้านใหม่ทั้งก็ไปนะครับท่านก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไร ไปก็เจอญาตของคนที่ในบ้านที่ทำบิลก็มาหาหลวงพ่อเพราะเอนคนนั้นจะทามาเพลิกนะแถน ข, ขาเขายัดไม่ยากก็มาบ่นกับหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยหลวงพ่อดิฉันไม่รู้ทํากรรมเป็นอะไรแค่ไหนเนาก็ทํามาทิ้งมาเจอบเหมือนมากมายที่ขนาดาษนี้หลวงพ่อท่านฟังแล้วท่านบอกว่าโยมอาตมาก็เป็นคนช่วยอาตมาก็เป็นคนช่วยอาตมาก็ไปหาหมอที่รุ่งสัจหวะเหมือนกันแต่ ทำไมใจโยมชอบป่วยด้วยเรา่าป่วยก็ขอให้ป่วยทางการเท่านี้ก็พอแล้วทำไมใจโยมชอบป่วยด้วยเราเรนนี้ก็เป็นคำถามของหลวพ่อซึ่งถ้าเราฟังได้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นถูกจำกัดถึงเวลาแล้วมันเกิดความสว่างในสติปัญญาของเราใน ม, มากและไม่กี่รับขอบขอบคุณคุณหมอนะครับ